ผู้มีกภาตระหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ น, คนบนัี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้ตากร น, นั่งคัดสมาธิทุกทุกคนการ น, นั่ง รู้การนั่งกรรมฐานนี่ให้เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วกหลับตาตานี่ไม่ต้องลืมหลับเพี้เพราะว่าไม่ต้องการให้จิตใจดูโลกภายนอกเมื่อหลับตาภายใน เอาดวงจิตดวงใจผู้รู้ผู้เห็นผู้มีความเชื่อความเลื่อมใสภายในมาเน้นน้อมเอาคนพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ได้แก่พุทธภภายในจิตถ้าทำคำสอนของพระพุทธเจา้าที่เราเรียกว่าพุทธศาสตร์นา ที่จะรู้ได้เข้าใจนั้น <c oughs> ต้องเป็นธรรมปฏิบัติในสมัยครั้งพุทธกาลมีพระภิษุองค์หนึ่งตั้งแต่มาบวชมาเรี่นแล้ว ก็จดจำธรรมะคำสอนของพัะพุท ธ, ธิ้าจนจำได้หมดแปด0มื่นสี่พันธรรมคันและเคยท่องจำมาอย่างนี้หลายสัจพุท ธ, ธิเา้ามาแล้วก็ไม่ได้สำเร็จมกักผลเพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติ เพียงแต่ว่าจดจำธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่เข้าใจในธรรมะปฏิบัติคำว่าธรรมปฏิบัติเมื่อท่านจะรลู้นั้นไปหาสามมันเนนน้อยแต่เป็นพระอรหันต์ท่านแสดงนิมิตหมายว่า ปลวกอยู่หัวหนึ่งแต่มีเฮีย้ยมีตะกูดเข้าออกอยู่ในหัวปลวกนั้นเมโลเข้าออกอยู่หกโลแล้วให้ปิดห้าโลปิดให้แน่นยาให้มันออกมาได้ แล้วก็เปิดทางใจขุดเข้าไปจอ ก, ก็จะได้เฮี้ยได้ตะกวดนั้นเมื่อท่านทำตามไม่เพียงแต่จดจำทำตามจริงๆผลที่สุดจิตใจของท่านก็ได้สำเร็จมาผล คือว่าได้ด้วยการทำการปฏิบัติแม่เราทุกคนถุกโลกถูกนามไม่ว่าหญิงชายเด็กหนุ่มแก่ขรืหัดบันผจิตคำว่าหัวปลวกก็คือตัวเราท่นทั้งหลายนี่แหละเมื่อเวลาเรานั่งก็เหมือนกับว่าจอมปลวกคือหัวปลวก จิตมันเข้าออกอยู่ในตัวในใจเราทุกคนออกมาทางตาหลงในลูกออกมาทางหูหลงในเสียงออกมาทางจมูกหลงในกลิ่นออกมาทางลิ้นหลงในรสอาหารออกมาทางตายหลงไหลในโถทับะเย็นร้อนอ่อนแข็ง เมื่อจิตนี้ยังแสสายลุ่มหลงไปตามอายตนะทั้งหลายไม่ปิดไว้ไม่สังวรระวังในอินทรีท้งหกก็ไม่มีทางที่จะเข้าใจในธรรมะปฏิบัติจะปฏิบัติอย่างไรอย่างไรก็ตามถ้าปล่อยให้ตาหูจมูก ทั้งหลายไม่ปิดไม่กัน้นท่านให้ปิดกั้นหมดให้คุดลงไปที่ใจคือภาวานาบทใดบทหนึ่งหรือภาวานาพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจนี่แหละเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงเมตตาต็วทำเป็นคนตาบอด มีหูก็ทำเป็นคนหูหนวกมีจมูกก็ทำเป็นคนจมกูกไม่รู้สึกติมีเล่นก็ไม่ติดในรสอาหารมีกายก็ไม่ลหลงไหลในสิ่งที่มาสัมผัสถูกต้องเมื่อเป็นผู้ตั้งใจมีสติคอยระวังจิตใจอยู่ภายใน ขุดค้นเข้าไปที่จิตที่ใจที่ภาวนาพุทธโธอยู่ในดวงใจนี่เองเมื่อผู้ปฏิบัติทั้งหลายพุทธสาวกในสมัยก่อนโน้นท่านตั้งใจขุดค้นเข้าไปภายในเรียกว่าธรทมปฏิบัติปฏิบัติธรรมะ คือเอากายวาจาจิตเอาตัวของเราปฏิบัติลงไปทีเดียวจะไปจําแต่ว่าธรรมธรรมโมอย่างนั้นอย่างนี้พระจูพรวินยัยพระประมัตมากมายเท่าไรเท่าไรก็ตามเมื่อจิตไม่สงบตั้งมัน่นจิตไม่หยุดไม่หยูจิตไม่ตลอดสังเวจิตไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ชื่อว่าอยู่ในขั้นปริยัติธรรมคำสอนคำบอกหรือสมมุตินนยมในโลกอันนี้เองคำว่าปฏิบัติคือว่าตั้งตัวตั้งใจขึ้นมะเมื่อเรานั่งสมาธิภาวนาฝังธรรมก็ให้ทาใจของเราด้วยจำเอาดวงใจของเรา มันอยู่ที่ไหนใจมีอยู่ในตัวนี่แหละแต่ใจจิตใจคนเรล่านี้เป็นธาตุนามธรรมคือว่าไม่มีรูปร่างสีสันฐานหมายถึงจิตใจจริงๆแต่จิตใจดวงผู้ลูอยู่ในตัวในใจนี่แหละมันพารูปร่างกายนี่ยืนเดินนั่ง พูดจาปลาใสตาดูหูฟั ง, ลงหลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเพราะไม่ตั้งใจภาวนาไม่รวมจิตใจเข้าไปสู่ดวงใจคือไม่ประกอบกระทปล่ อ, อยปลาละเลย <c oughs> ขาดสติสัมไปตัญญักษ์ขาดสมาธิความตั้งมัน่น <c oughs> ขาดปัญญาความตอดตองในธรรมเมื่อขาดสิ่งเหล่านี้แล้วจิตก็ละหลวงท่อแท้อ่อนแอไม่ตั้งใจให้สิงที่ชื่อว่าการปฏิบัตินั้นย่อหย่อนท่อถอย มักง่ายไม่เอาจริงปล่อยปละละเลยคือไม่ตั้งใจทำจริงๆไม่ขุดค้นลงไปจริงๆจะไปหาที่ไหนในโลกนี้ก็ไม่เห็นแหละเพราะว่าจิตใจมันอยู่ภายในจิตใจนี้มันไม่มีรูปร่างเหมือนตัวคนเราด้วย จะเอาอะไรมามัดมาผูกไว้ให้มันอยู่กับที่ดังใจหวังก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะมันไม่มีตัวตัวคือร่างกายของเราที่มีขาสองแขนสองสศรีรษะหนึ่งนี้อันนี้เป็นเพียงว่าเป็นที่โยอาศัยของจิต ในชั่วระยะที่ยังไม่แตกไม่ตายมาอาศัยครองร่างอันนี้เป็นเครื่องอยู่เมื่อมาอาศัยแล้วส่วนมากก็เรียกว่าอาศัยอยู่เพื่อกิเลสในใจกิเลสทางตาได้แก่จิตหลงไหลในลูก ีิเลสทางหูจิตหลงไหลในเสียงหลงไหลในกลิ่นหลงไหลในรสอาหารการกินหลงไหลในพอธพะหลงไหลในธรรมารมณ์เมื่อหลงไหลออกไปเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งห่างไกลออก กายในจิตเร้ว่าห่างไกลพุทธธรรมคำสอนต่อพุทธเจ้าพุทธธรรมคำสอนของตระพุทธเจ้านั้นคำว่าพระไตรปิฎกกายคือตัวเรานี่เป็นตู้พระไตรเป็นตู้พระธรรมวาจา คือสิ่งที่พูดที่เต็งออกมาเป็นพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าอยู่ที่นี่พระโตูพระวินัยพระปรมัตถ์ก็ดวงจิต ด, ดวงใจนี่ตัวเราทุกคนก็ให้เข้าใจเถิดว่านี่คือตู้พระธรรมตู้พะระไตรี่ดกตู้พะระไกล ขอพระไก่ขอพระธรรมเมื่อได้กายวาจาจิตมาแล้วชื่อว่าเราได้ศรธรรมแต่เป็นพระธรรมที่ยังไม่ได้เปิดอ่านยังไม่ได้ปฏิบัติดีปฏิบัติถอบยังไม่ได้เจริญธรรมกรรมฐานมีอยู่ ก็เหมือนกับไม่มีเพราะยังเอามาใช้การอะไรไม่ได้เหมือนกับว่านั่งเฝ้าตู้พระธรรมอยู่แต่ไม่รู้พระธรรมนั่งเฝ้าตู้พระกายอยู่แต่ไม่รู้พระกายอิตก อาศัยอยู่ในตู้พระธรรมวินัยทัพย์ทูตสนาคําสอนของสัพพุติเจ้าแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจกิเลสมันก็พาไปกิเลสมันพานั่งกิเลสมันพานอนกิเลสมันพากินกิเลสมันพาวุ่นวายตั้งแต่เกิดมาจนตายทุกภพทุกชาติ คือไม่สังวรระวางไม่ตั้งใจปฏิบัติไม่ปฏิบัติรักษาจิตใจของตัวเองกายวาจาจิตปล่อยให้กายวาจาจิตนี้หลงไหลไปตามลูกเสียงกลิ่นรสโดตทเพาะธรรมลามเมื่ออะไรกระทบมาก็ไม่มีปัญญาพนิสิิจารณะ เป็นต้นว่าตาเห็นรูปรูปนั้นมันจะเป็นรูปเรารูปเขารูปคนรูปตัดรูปวัตถุเข้าของรูปต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าอากาศรูปอะไรก็ตามเมื่อมันมาปรากฏในสายตานั่นแหละต้องกาหนดพิจารณายาให้มันลหลงไหลไปอย่างเดียว ลูกทั้งหลายแหละส่วนมากจิตใจหลงนี้มันก็ชอบแต่ส่วนที่ลูกดีลูกดีที่จิตมันเห็นว่าดนะีมันก็ต้องการลูกที่ดีลูกที่สวยสดงดงามตามสมมุติภาษานั้นแล้วมันหาลูกไม่พบ ที่ว่าดีนั้นมันก็มีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นอย่างว่ารูปร่างกายของเราทุกคนที่มันมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอะพระพุทธเจ้าทรงแตดว่าเป็นก้อนอตุภกรรมธานหรือท่านว่า ตัวคนเราทุกคนนี้เป็นก้อนอสุภะยังมีชีวิตยังไม่ตายก็ให้ชื่อว่าเป็นผีดิบไม่ใช่ผีตายไม่ใช่ผีสุกผีดิบผีดิบนี้เมื่อมัน สั่งสอนจะสอนว่าให้ภาวนาพุทโธตั้งใจบริกรรมภาวนาหรืออุบายใดก็ได้เจดใจที่มันอยู่ในร่างผีดิบอันนี้มันไม่ได้เชื่อมันมีแต่จะหลงไปคำว่าหลงคือไม่สงบไม่ตั้งมัน่น ไม่เห็นก้อนอสุภกรรมฐานไม่เห็นสากศพ ส, สากศกซาก ส, สีดิตเมื่อจิตไม่ไม่เพ่งดูกายดูตัวของเราให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาก็มาลูกคำสำคัญผิดคิดว่าตัวเรานี่ไม่ ไม่เป็นอะไรมีแต่ความตกความสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีมีแต่ความสะอาดแต่เราหาลู่ไม่ว่าทำไมจึงอาบน้ำชำระกายเมื่อนุ่งผ้าผ่อนท่อนสบายปกปิดร่างกายแล้ว เรื่องนุ่งห่มนั้นจะแสดงเ่งปฏิกูลให้ปรากฏการนั่นมาจากไหนไม่ใช่มันมีอยู่ในตัวในก้อนกรรมถานนี่หรือนี่แหละต้องดูกำหนดพิจารณาให้ดีถ้ายังมีชีวิตอยู่ยังยืนเดินนั่งนอนไปมาพูดจาปราัสทำดีทำชั่วดายอยู่ ก็พอทำเนา่าต่างหากว่าเกิดแตกดับเกิดตายขึ้นมาอะไรเราจะเกิดขึ้นยังไม่ตายมันก็เกียมตายยังไม่เน่าไม่เปือยมันก็เกียมเน่าเกียมเปื่อยอยู่แล้วในร่างกายสังขาร น, นี้พระพธธุทธเจา้าพระองค์จึงเตือนไว้ว่า โรคประขันนี้ก็คือว่าก้อนอาสุพะคำว่าอาสุพะก็คือว่าจริงไม่สวยไม่งามเต็มโยในร่างกายสังขารอันนี้ที่มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดลอเกเจตใครจะมาหลงว่าเราสะอาดสะอ้างอย่างไร กลองดูพิจารณาให้เข้าใจว่าเราได้ทายปัสสาวะทุกวันไหมก็ย่อมตอบได้ว่าปัสสาวะทุกวันปัสสาวะที่เราทายออกมามันหอมหรือมันเหม็นคิดดูให้เห็นด้วยตนเองหรือเราทายมูโคตรอยู่ทุกวัน มันหอมหรือเหม็นให้ดูเข้าไปข้างในที่พระพุทธองค์ท่านตรัสอาสุาภะธรรมทานถ้ากำหนดให้เห็นเป็นของไม่งามเต็มไปด้วยปุโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ เมื่อกําหนดได้ใจก็สงบใจก็สลดสังบเลยในโลกประขันอันนี้ถ้ากําหนดไม่ได้ใจมันก็เพลิดเพลินไม่เห็นความแก่ความชราไม่เห็นความเจ็บไข้ใดป่วย ไม่เห็นธรรมกรรมฐานเมื่อไม่เห็นก็คือว่าจิตมันบอดจิตมันมืดจิตไม่ภาวนาเมื่อจิตไม่โลจิตไม่แจง้งจิตไม่เห็นจิตมืดจิตมืดจิตบอดเหมือนคนตาบอดธรรมดาคนตาบอดหรือสัตว์ตาบอดก็ตามอะไรที่ตา ม, มันบอดแล้ว ไปไหนมาไหนย่อมมีภัยอันตรายมากถ้าเดินไม่เระวัดระวังตกกลุมตกบอก่อตกเหวตกน้ำบอ่อเอาถึงตายไดน้นั่นคือว่าจิตมันมืดจิตไม่ภาวานาจิต <c oughs> ไม่เป็นดวงหนึ่งดวงเดียว ที่ท่านตักเตือนให้เราทุกลมภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อให้จิตมันแจ้งมันใสรู้จากผิดโกชั่วดีดีชั่วละชั่วบำเพ็นบุญจิตใจนั้นจึงจะสว่างแจ้งขึ้นมาถ้าปล่อยไปตามยาถากรรมนั่ น, น, นแหละ เหมือนคนตาบอดจะมากเท่าไรก็ตามขึ้นชื่อว่าคนตาบอดหรือเอาคนตาบอดจูงคนตาบอดนานแล้วจะเกิดภัยอันตรายเพราะว่าผู้จูงผู้แนะนำผู้พาไปก็ตาบอดไม่เห็นทาง ไม่เห็นทางมันก็ผิดทางเมื่อผิดทางมันก็โดนภัยอันตรายต่างๆเพราะจิตมันบอกถ้าจะมีหลายคนตาบอดแต่ว่ามีคนตาดีจูงคนตาบอดทั้งหลายจับเชือกจับไม้ก็ย่อมไปได้ อันนี้ได้แก่เราทุกคนทุกดวงใจแม่จะมืดมาแล้วตั้งแต่อนเนกข้นับพบนับชาตไม่ท้วนเมื่อมาถึงชาติปัจจุบันนี้ก็ให้เชื่อต่อพระธรรมวินัยสัตธรศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้า ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลไม่เป็นคนดื้อด้านหยาบคายทำตามอำนาจกิเลสความโกรธโลภหลงของตนแล้ววันเลิกละก่เลสต่างๆออกไปในกายวาจาจิตของเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นตู้กระทําม ตูพระกายิตดกเราจะต้องดูนั่งก็ดูกายวาจาจิตนอนก็ดูกายวาจาจิตภาวนาอยู่ภายในยืนเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาอยู่ในกายวาจาจิตอันนี้ไม่ยอมขาดสติไม่ให้ขาด ส, สมาธิ ไม่ให้ขาดปัญญาให้เกิดความรู้ความเข้าใจตั้งอกตั้งใจอยู่ภายในโลระขันตายอยู่ที่ไหนใจก็ให้อยู่ที่นั้นไม่ใช่อยู่เฉยเฉยอยู่ด้วยการภาวนาอยู่ด้วยการปีนิพพิจารณา ว่ารูปทํานามทําตัวตนอันนี้มันมีอายุยืนยาวข่าวไกลขนาดไหนเป็นของมั่นคงสาวรยั่งยืนชั่วฟ้าดินสลายหรือให้มองเห็นว่ามันรอความตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก รพระุทธิจ้าพระองค์จึงตื่นว่าให้ภาวานาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกยาได้ประมาทคนอื่นประมาทมัวเมาเป็นเรื่องของเขาเจ็ตใจเราผู้ภาวานาผู้ตั้งใจไม่ประมาทเดวว่าต้องทำไม่ใช่เชียงแต่ว่าจำจดจำได้ก็ว่าได้เท่าน ยังไม่สมบูรณ์แบบคือต้องลงมือทําคําว่าลงมือทำํำ ค, คือว่าเอาตัวทําเอากายวาจาจิตทำนั่งสมาธิภาวนาก็เอากายวาจาจิตนั่งใจภาวนาร่างกายก็ น, นั่งอยู่ในท่าสงบอยู่ในท่าความตั้งใจ ตั้งในใจตั้งในกายตั้งทุกอย่างไม่ยอมให้มันลุ่มหลองมัวเมาไปอยู่ใต้อำนาจกีเลสไม่ว่าจะเป็นกิเลสความโกรธก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาเหยียดย่ำได้ก่เลสความโลอ ก, กิเลสราคะตัณหาก็ไม่ยอมให้มันเข้ามาย่ำายว่หัวใจได้ ใจละลึกภาวนาอยู่มองเห็นทุกเห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัตะสงสารอยู่การที่คนเราเกิดมามีตัวตนโลูกนามกายใจอยู่อย่างทุกวันนี้ธรรมดาโลกประขันมีภัยอันตรายลอบด้าน มีภัยอันตรายได้ทุกเวลาภัยอันตรายเกิดขึ้นภายในรูปขันนี้ก็มีภัยอันตรายมันเกิดมาจากภายนอกก็มีไม่ควรนิ่งนอนใจจงมองเห็นชลาความแก่มองให้ ขายความเจ็บให้ได้ปัวยอยู่ตลอดการเนกเตือนใจให้ได้ว่าความตายนะั้นมันใกล้เข้ามาคืบคานเข้ามาเกิดขึ้นมีขึ้นได้ทุกเวลาความตายของพระพุทธเจ้าท่านเตือนไว้ว่า ท่นว่ามันตายได้ทุกลมหายใจเข้าไปตายได้ทุกลมหายใจออกหนักราะมันตายได้ทุกเวลาเรากั้นไม่ได้แก้ไม่ได้เจิตใจมันก็แก้ทางนั้นหละบริโภคอาหารบริโภคเพื่อกันตาย กินยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็คือว่ากันไม่ให้มันตายนุ่งห่มผ้าผ่อนท่อนสบายก็กันไม่ให้มันตายมีบ้านเรือนกุฏิวิหารเป็นที่อยู่อาศัยก็กันไม่ให้มันตายแต่เมื่อถึงเวลามันจะแตกจะตายจริงๆแหละไม่ว่าโรคชนิดใดถ้ามันรุนแรงมันตายได้ทุกอยา่าง นั่งอยู่ดีๆตายก็มีนอนอยู่ดีๆตายก็เยอะเดินไปไหนมาไหนเกิดไทยที่บัดตายได้ทุกเวลายิ่งสมัยยุดยานพาหนะหรือสมัยที่มนุษย์เยี่ยมโหดมีศาสตราอาวุธประหัดประหารกัน เร่งมีภัยอันตารายแล้วอ่ะตายได้ทุกลมหายใจดังนั้นอยาประมาทจงพากันเร่งรีบรีบเร่งคําว่าเร่งก็คือว่าตั้งใจไม่ให้ตกอยู่ในความประมาททุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกประมาทไม่ได้ใครประมาทผูนั้นชื่อว่าตาย ตายหมดลมนั่นตายอย่างหนึง่งคนที่มีความประมาทในใจคือไม่เล่งรีธปฏิบัติบูชาภาวัน